วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิบสองเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วันนี้เลยไม่ต้องทำงานกันอีกหนึ่งวันทางศาสนาเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะถ้าไม่มีวันหยุดชดเชยในวันนี้สัท ธ, ธาญาติโยมก็ต้องไปทำงานทำการก็จะไม่มีเวลามาวัดมาทำบุญนั่นเอง การได้ทำบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเราทุกคนเพราะจิตใจของพวกเราต้องอาศัยบุญเป็นสะเบียงเป็นผู้สนับสนุนให้จิตใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เหมือนกับร่างกายที่ต้องการปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มเป็นผู้สนับสนุนให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจก็ต้องมีบุญที่เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของใจ ที่จะทำให้ใจนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนอกจากเป็นปัจจัยสี่แล้วยังเป็นสเบียงที่ใจจะต้องอาศัยเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังต้องไปต่อ ต้องเดินทางต่อไปโลกนี้เป็นเหมือนที่มาเติมสเบียงให้แก่ใจเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ต้องเดินทางต่อไปถ้าใจไม่มีสเบียงใจก็จะไปอย่างยากลำบากเหมือนรถยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันรถยนต์ก็ ขับเคลืนไปเองไม่ได้ก็ต้องเข็นรถยนต์ไปการเข็นรถยนต์กับการขับรถยนต์นี่มีความต่างกันมากขับรถยนต์ผู้ขับก็นั่งสบายแต่ถ้าเข็นรถยนต์ผู้เข็นก็ลําบากเคยขับรถไปแล้วน้ํามันหมดกลางทางไหม ต้องเข็นรถไปสู่สถานีบริการถึงจะเติมน้ำมันแล้วก็ขับรถไปไหนต่อได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องอาศัยบุญทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่มีร่างกายและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ก็ยังต้องอาศัยบุญต่อไปถึงจะพาให้ใจไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปลอดไปจากความทุกข์ต่างๆที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาเราจึงควรที่จะรีบวรขวนขวายทำบุญกัน ทำให้มากๆทำให้บ่อยๆเพราะเป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันเป็นเหมือนกับการสะสมน้ำมันเติมใส่ในรถแล้วยังไม่พอต้องเติมใส่ถังไว้ด้วยหาถังมาหลายๆใบถังให้มันเต็มรถเลยเติมน้ำมันใส่รถแล้วยังไม่พอเติมใส่ถังอีกด้วย มีทางมากๆเพราะเราเวลาเดินทางไกลเราจะได้มีความมั่นใจว่าเราจะไม่หมดน้ำมันเราจะได้ถึงที่เราต้องการจะไปอย่างแน่นอนนี่คือความสำคัญของบุญที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาทำกัน บุญที่สงสอนให้ทำนี้ก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันที่ควรจะทำกันมากๆทำกันบ่อยๆทำกันเรื่อยๆคือหนึ่งการทำทานสองการรักษาศีลสาการฝึกนั่งสมาธิและสี่การฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดให้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลจิตใจเหมือนกับร่างกายมีปัจจัยสี่เวลาเรามีชีวิตอยู่ทบุญที่เราทำนี้ จะเป็นเหมือนกับอาหารเวลาเราทำทานเราแบ่งปันเราเสียสละข้าวของเงินทองสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราได้ทำทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมานี่คืออาหารของใจคือทานแล้ว ถ้าเราอยากจะมีเครื่องนุ่งห่มที่สวยงามเราก็ต้องรักษาศีลผู้ที่รักษาศีล น, นี้จะมีจดใจที่สวยงดงามเพราะผู้ที่รักษาศีลไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีใครรังเกียจผู้ที่มีศีลผู้ที่ไม่ทำบาป คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดธไม่ดื่มสุรายาเมาผู้ที่ไม่ทำบาปนี้ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่มีใครรังเกียจจะมีคนรักคนชอบเพราะสวยงามทางจิตใจ ความสวยงามทางจิตใจนี้ดีกว่าความสวยงามทางร่างกายเพราะว่าความสวยงามทางร่างกายเป็นความสวยงามที่ไม่ประทับใจเพราะอะไรเพราะถ้าสวยแต่ใจสวยแต่กายแต่ใจไม่สวยใจไม่มีศีลพอได้รู้จัก ได้อยู่ร่วมกันก็จะรู้ว่าเป็นคนอันตรายคนที่ไม่มีศีลนี่เป็นคนอันตรายเพราะจะทำร้ายผู้อื่นได้ลักทรัพย์ของผู้อื่นได้แย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นได้โกหกหลอกลวงได้ดื่มสุรายาเมาได้ ต่อให้รูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเล้ามากน้อยเพียงไรถ้าจิตใจไม่สวยงามแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยฉะนั้นอย่าให้ความสําคัญต่อความสวยงามของร่างกายมากจนเกินไปให้มาให้ความสําคัญต่อความสวยงามทางจิตใจ ด้วยการไม่กระทําบาปด้วยการรักษาศีลห้ากันจะดีกว่ารับรองได้ว่าจะมีแฟนเยอะจะมีเพื่อนเยอะถ้าสวยทางจิตใจถ้าสวยทางร่างกายแต่ไม่สวยทางจิตใจจะไม่มีเพื่อนจะไม่มีแฟนอันนี้คือเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแสมสวยความงามของจิตใจคือการรักษาศีลห้าไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี <c oughs> ไม่พูดปดไม่เดิมสุรายามเมานี่คือความสวยงามที่เราเรียกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ สวยถ้าอยากจะสวยก็สวยทั้งสองส่วนสวยร่างกายด้วยสวยจิตใจด้วยแต่อย่าสวยที่ร่างกายแล้วไม่สวยที่ใจเพราะว่าจะไม่มีใครรักใครชอบแต่ถ้าสวยใจแต่ไม่สวยร่างกายจะมีคนรักคนชอบเดี๋ยวผู้ทรงศีลอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าะ รูปร่างหน้าตาท่านไม่สวยไม่งามท่านไม่มีผมหัวล้นล้นหลงปูหลงตาหน้าเหี่ยวหน้าย่นแต่กลับมีคนรักท่านมากกว่ารักคนสวยคนหล่อที่มีจิตใจไม่สวยงามนี่แหละความสวยที่แท้จริงที่สร้างความประทับใจ ก็คือความสวยทางใจไม่ต้องไปกังวลกับความสวยทางร่างกายสวยก็สวยได้ไม่นานเพราะร่างกายก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะกลายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่แก่ไม่เจ็บ ไปกับร่างกายใจนี่สวยงามตลอดเวลาสวยด้วยศีลธรรมความดีงามคือความประพฤติ ท, ที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนนี่แหละคือเสื้อผ้าอภรรของพวกเราที่แท้จริงคือศีลห้านี่ขอให้เราพยายาม รักษาศินกันศินห้ากันให้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะมีเพื่อนเยอะมีคนรักเยอะมีคนเคารพนับถืออันนี้คือบุญชนิดที่สองที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาทํากันให้มากๆบุญชนิดที่สามที่พวกเราควรจะ ทำกันให้มากๆ ก, ก็คือสมาธิเราควรที่จะมาฝึกหัดนั่งสม า, สมาธิทำใจให้สงบกันเพราะสมาธินี้คือที่อยู่อาศัยของพวกเราที่หลบภัยคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆร่างกายต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะจะได้หลบจากภัยทางธรรมชาติ เช่นหลบแดดหลบฝนหลบภัยจากสัตว์อันตรายหลบภัยจากมนุษย์มิจฉาชีพถ้าไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยต้องนอนข้างถนนนอนใต้สะพานจะไม่มีความปลอดภัยจะไม่รู้ว่าจะถูกทำร้ายได้เมื่อไหร่แต่ถ้ามีบ้านที่อยู่อาศัย ร่างกายก็จะปลอดภัยเวลาฝนตกมาก็ไม่เปียกเวลาแดดออกก็ไม่ร้อนเวลาพายุมาก็ไม่ถูกพายุพัดไปเวลามีสัตว์ ร, ร้ายออกมาเพ่นพ่านก็จะปลอดภัยไม่ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายต่างๆที่มักจะออกมาสร้างความ เดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย น, นี่คือที่อยู่อาศัยของร่างกายใจก็ต้องมีที่อยู่อาศัยใจก็มีภัยที่เข้ามาคุกคามใจเราอยู่เรื่อยๆภัยที่คุกคามใจเราเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ใจต่างๆเราทุกข์กันอยู่บ่อยๆทุกข์กันอยู่เรื่อยๆ ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้มีเรื่องให้ทุกข์แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ยังทุกข์กับมันเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์กับมันเวลาที่ร่างกายต้องเผชิญกับภัยต่างๆเราก็ต้องทุกข์กับมัน แต่ถ้าเรามีที่อยู่อาศัยของใจเราสามารถหลบเข้าไปได้ถ้าเรามีที่อยู่อาศัยเราเข้าไปในที่อยู่อาศัยของใจภัยต่างๆคือความทุกข์ต่างๆที่ใจต้องเผชิญก็จะไม่ตามเข้ามาในบ้านของใจเหมือนกับบ้านของร่างกาย พอเข้าไปในบ้านแล้วทีนี้ภัยที่อยู่นอกบ้านก็ไม่สามารถเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับร่างกายได้สมาธินี้ก็เป็นบ้านของใจที่ใจสามารถใช้เป็นที่หลบภัยคือความทุกข์ต่างๆได้ว่าไหนมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเข้าไปในบ้าน เข้าไปในสมาธิอย่างนั้นเราจรึงต้องมาหัดสร้างบ้านกันเพราะตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่นั่งสมาธิกันไม่เป็นทำใจให้สงบไม่เป็นพอใจไม่สงบพอมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์ภายในใจมีความวุ่นวายใจมีความไม่สบายใจ มีความวิตกกังวลว่าวุ่นขุนมัวไปตลอดแต่ถ้าเราฝึกสมาธิเป็นเรานั่งสมาธิเป็นเวลาเรารู้สึกว่าใจเราทุกข์นี่เราก็หลบเข้าไปในสมาธิก่อนได้พุทโธพุทโธการที่จะใจของพวกเราจะสงบได้ต้องมีสติใจจะเข้าสมาธิได้ต้องมีสติ สติที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้ยังมีไม่มากพอมีสติพอที่จะทําบุญทําทานได้มีสติพอที่จะรักษาศีลได้แต่ก็ไม่แน่บางทีก็ยังรักษาไม่ได้ศีลห้านี้บางทีก็ยังเผลอสติได้ไปทําบาปได้สติของพวกเราจึงไม่มีกําลังพอ ที่จะดึงใจให้เข้าไปในสมาธิได้เพราะแม้แต่สติที่จะใช้ในการทําบุญทําทานในการรักษาศีลยังมีไม่มากมีพอทำได้ว่างเป็นบางเวลาเช่นวันนี้มีสติดึงใจมาวัดกันได้การที่เรามาวัดกันได้เนีเ่ยก็เพราะเรามีสติดึงใจดึงใจให้คิดว่าเฮ้ hey, วันนี้วันหยุด ทำงานจะไปทำอะไรดีถ้ามีสติก็บอกว่าไปวัดไปทำบุญทำทานไปหาความสุขทางใจถ้าไม่มีสติก็จะถูกความคิดอีกทางหนึ่งดึงไปไปเที่ยวดีกว่าไปกินเหล้าเมายากันดีกว่าไป เ, าเล่นการพนันกันดีกว่าอันนี้ถ้าคิดแบบนี้แสดงว่า คิดแบบไม่มีสติถ้าคิดแบบมีสตินี้จะคิดว่าไปทำบุญไปทำทานไปรักษาศีลไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปหัดนั่งสมาธิดีกว่าอันนี้วันนี้ญาติโยมมีสติในระดับพอที่จะดึงใจให้เข้าหาบุญได้แต่จะมีสติ ให้ทําบุญได้หรือไม่เอวันนี้มาเข้ามาหาบุญแล้วเอมาทําบุญเออเาข้าวของมาอันนี้เรียกว่ามีสติที่จะทําบุญแล้วก็รักษาศีลห้าได้ไหมวันนี้อจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโดไม่เดิมสุรายาเมาเอา ถ้าทำได้ก็สแสดงว่าเรามีสติในระดับศีลแล้วเรานั่งสมาธิได้ไหมควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานนี้ได้ไหมนั่งกรรมฐานก็คือการนั่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งของกรรมฐานกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบอารมณ์ด้วยกันสี่สิบชนิดด้วยกัน ผู้ที่จะต้องการเข้าสมาธิต้องอาศัยกรรมฐานเป็นผู้สร้างสติเพื่อที่จะได้ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้กรรมฐานที่เราใช้กันในเบื้องต้นกรรมฐานขั้นแรกก็คือพุทธานุสติหรือกาย ะ, ะตาสติหรือาอนาปณะสติอันนี้เป็นกรรมฐาน ที่เหมาะกับผู้ที่ฝึกหัดสมาธิในเบื้องตน้นเพราะเป็นกรรมฐานที่ง่ายไม่ยุ่งยากเพียงให้เราเลิกถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไปเรื่อยพุทโธพุทพุทโธเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราเลึกถึงคำสอนเราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปเรื่อย เราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความว่างความเย็นความสบายแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆได้เราก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบสู่ความนิ่งสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่หนีจากความทุกข์ที่วุ่นวายความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความไม่สงบของใจเอง ของใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้พอหยุดคิดได้ความไม่สบายใจก็หายไปเหมือนกับได้เข้าไปในบ้านอยู่นอกบ้านแล้วมีเรื่องวุ่นวายใจอยู่นอกบ้าน เทนร่างกายอยู่นอกบ้านก็ต้องไปเจออากาศร้อนเจอแดดเจอฝนเจอฝุ่นเจอลมเจอภัยต่างๆพอเข้าไปในบ้านภัยต่างๆก็ตามเข้ามาไม่ได้ใจก็เหมือนกันความทุกข์ต่างๆของใจพอใจมีสติดึงใจเข้ามาข้างในได้มีพุโทโธพุทโธดึงเข้ามาได้ ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆก็จะหายไปคือไม่เข้ามาในใจยังมีอยู่ข้างนอกเราไม่ได้ไปทําให้บุคคลต่างๆหายไปไม่ได้ทําให้เหตุการณ์ต่างๆหายไปเพียงแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเอ เราดึงใจให้เข้ามาข้างในด้วยการใช้สติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้กรรมฐานสร้างสติขึ้นมาตอนนี้สติเรายังมีไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิเราจึงต้องอยู่ในขั้นฝึกสติกันไปก่อนฝึกกรรมฐานไปก่อนให้หัดใช้คำบริกรรมพุทธโธอยู่เนืองเนือง อย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปลืย่ยคิดเพ้อเจอ้าเพ้อฝันคิดกับเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวพอจะรู้สึกว่าใจเริ่มวุ่นนะเริ่มฟุ้งนะ เริ่มไม่สบายใจแล้วควรจะรีบใช้กรรมาฐานคือสติมาระ ง, งับมันทันทีพุนะโทโธพุทโธไปนะไม่นานสองสามนาทีเท่านั้นถ้าอยู่กับพุโทโธจริงๆจังๆไม่ไปให้มันไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้วุ่นวายใจได้เดี๋ยวก็ลืมนะอย่างตอนนี้ญาติโย่มาอยู่ที่นี่คอยวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆมากมาย ตอนนี้ไม่วุ่นวายใจแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปคิดถึงมันนั่นเองแต่ถ้าลองไปคิดถึงมันดูถึงแม้จะอยู่ที่นี่แล้วเหตุการณ์หรือบุคคลอยู่ที่โน่นลองไปคิดถึงเขาดูมันก็ทำให้ใจวุ่นขึ้นมาได้ทำให้ใจไม่สบายขึ้นมาได้เราจะเห็นได้ชัดเลยถ้าเราฝึกสติควบคุมความคิดอยู่ บ, บ่อย เราจะเห็นเลยว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเลยแต่เกิดจากใจของเราที่ไปวุ่นวายกับเขาเองไปยุ่งไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าเรามาหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราว พอไม่คิดความอยากก็ไม่เกิดพอความอยากไม่เกิดเขาจะเป็นอะไรมันเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะดีจะชั่วเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีที่จะทำนทำใจให้หนีจากความทุกข์ชั่วขาวให้ไปหาที่หลบความทุกข์กันคือเข้าไปในบ้านของใจ ส, สมาธินี้คือบ้านของใจ แต่เป็นบ้านที่เราอยู่กันได้ชั่วคราวเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปทำธุระต่างๆพอเราออกไปทำธุระเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันพอคิดเดี๋ยวก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอีกสมาธินี้เป็นบ้านเป็นที่หลบภัยชั่วคราวแต่ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ต้องอาศัยบุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญานี่แหละที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะปัญญานี่เป็นเหมือนยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเวลาร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้จะหลบ้าไปอยู่ในบ้านไปนอนพักผ่อนหลับนอน ก็อาจจะบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่ทำให้โรคหายเช่นเวลาเราไม่สบายใจไม่สบายทางร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปทำงานเป็นไข้เราก็อยู่บ้านพักผ่อนหลับนอนเผื่อร่างกายมีกำลังวังชาก็อาจจะฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้แต่มีโรคภัยไข้เจ็บ อย่างชนิดอื่นที่การพักผ่อนหลับนอนนี้จะไม่พอต่อการรักษาจาเป็นที่จะต้องมียามีหมอหรืออาจจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอาจจะถึงมีขั้นผ่าตัดขึ้นมาถึงจะสามารถรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายได้ใจของเราก็มีโรคอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน โรคของใจก็คือความทุกข์นั่นเองการที่เราใช้สมาธินี้เป็นการเยียวยาแบบชั่วคราวเมื่อเรายังไม่มียาไม่มีธรรมโอสฐ์ที่จะมารักษาโรคทางจิตใจคือความทุกข์ใจต่างๆเราก็อาศัยสมาธิเป็นที่เยียวยาไปชั่วคราวก่อนเวลาเราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจไม่รู้จักวิธีดับมัน ก็เข้าไปในสมาธิก่อนหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจกันพอเราหยุดคิดเราก็หายจากความไม่สบายใจแต่พอเราออกจากสมาธิมาเพื่อมาทำธุระต่างๆใจก็เริ่มคิดขึ้นมาเห็นสิ่งนั้นก็คิดขึ้นมาได้ยินเสียงก็คิดขึ้นมาพอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา พอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของสมาธิจะรักษาความทุกข์ได้เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิออกมาแล้วจะไม่สามารถรักษาความทุกข์ใจได้ทีนี้ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะ รักษาความทุกข์ใจให้หายไปได้ปัญญาพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมโอสถเป็นยาของธรรมธรรมนี่ที่จะมารักษาความทุกข์ใจให้หายไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเรียกว่าปัญญาปัญญานี้จะรู้เหตุของความทุกข์ใจเหมือนกับยาที่รู้เหตุของความ เจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายพอหมอวิเคราะห์ว่าเป็นโรคชนิดนี้ต้องกินยาชนิดนี้พอเอายาชนิดนี้เข้าไปในร่างกายโรคที่เป็นก็หายไปเพราะยานี้ไปกำจัดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคขึ้นมานั่นเองฉันใดโรคของใจคือความทุกข์ใจก็เกิดจากเชื้อโรค ของใจเชื่อแล้กของใจนี้เราเรียกว่าตัณหาความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละคือตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจกันสังเกตดูสิเวลาที่เราไม่สบายใจกันเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วพอไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจอยากได้แฟนแต่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากได้เงินมากๆพอหาไม่ได้เงินมากๆก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากมีแฟนเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจ อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ไม่ทุกได้ถ้าไม่มีความอยากมีแฟนอยู่แบบคนไม่รวยก็อยู่ได้ไม่ทุกได้ถ้าไม่อยากเร่มอยากรวยแต่ถ้าอยากริ่มอยากรวยแล้วทีนี้มันทุกข์ขึ้นมาทันทีเราต้องเอายาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการกาจัดความอยาก การจะกับจัดความอยากนี้เราต้องใช้ปัญญาปัญญานี้เป็นเหมือนยาถ้าเราเอามาสอนใจมาบอกใจปับ๊บความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะหายไปเลยยานี้คืออะไรก็คือไตลักษณ์นี่เองปัญญาคือไตลักษณ์คือการเห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราเห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันจะทําให้เราทุกเวลาที่เขาจากเราไปเขาไม่ได้เป็นของเราเขาจะไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดอย่างนี้คือไตลักษณ์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรได้แล้วก็จะต้อง เสื่อมไปดับไปเราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เขาไม่เสื่อมไม่จากเราไปอพอเราอยากให้เขาไม่เสื่อมอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอเราเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเรา <c oughs> มันก็เลยทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาพอเราเห็นอ น, นิจจังทุกขังในสิ่งที่เราอยากได้เราก็ไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่าเออยากได้แฟน ในแฟนแล้วเดี๋ยวเกิดแฟนทิ้งเราจะทํำยังไงอหรือแฟนตายจากเราไปจะทำอย่างไรก็เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาอยู่ดีๆไปหาความทุกข์ทาไมถ้าไม่มีความอยากมีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของแฟนนี่คือใจรักทุกครั้งที่เราอยากอะไร ให้มองสิ่งที่เราอยากให้เห็นว่าเป็นตายลักให้ได้ได้เห็นว่าเป็นตายลักแล้วความอยากได้สิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นก็จะหายไปอยากรวยให้รวยหนึ่งวันเอาไหมอย่างคนถูกรอตลี่เนี่ยรวยหนึ่งวันพอหวยออกก็ถูกไปรับรางวัลมาไปกินไปเดื่บไปเที่ยวกันวันเดียวเงินที่ได้มาก็หมด หมดพรุ่งนี้วันต่อไปก็กลับมาเป็นคนจนใหม่แต่จะทุกกว่าเก่าทุกกว่าเดิมตอนที่ยังไม่ถูกจนอยู่แต่ไม่ทุกมากแต่พอถูกแล้วรวยขึ้นมาแล้วแล้วต้องกลับมาจนนี่จะทุกมากกว่า น, นี่คือเพราะมันติดรวยพอรวยแล้วอยากจะรวยไปเรื่อยๆไม่อยากจะจนพอจนแล้วจะทุกมากจะเสียใจมาก แต่เวลาจนนี่เวลาที่ยังไม่รวยจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ทุกบ้างทุกเพราะความอยากรวยเท่านั้นเองแตจจะไม่ทุกแบบคนที่รวยแล้วต้องมาจนนี่คือการเห็นตยลักษณ์นี่แหละคือปัญญาเป็นธรรมโอสถที่จะมากำจัดเชื้อโรคของใจคือตัณหาความอยากต่างๆที่มันชอบโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ เห็นของก็อยากได้เห็นคนก็อยากได้เห็นเงินก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดแล้วก็มาวุ่นวายใจในขณะที่อยากได้เวลาอยากได้อะไรใจก็ไม่สงบแล้วใจก็ว้าวุ่นขุนมัวหงมดหงิดตำคานใจเวลาได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหมดไปก็เศร้าใจอีกอนี่คือการเห็นใจรลัก เห็นว่าสิ่งต่างๆมันจะต้องทำให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็ว<ม>เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่ถาวร<ม>เป็นอนิจจังมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นอนัตตาอ่นี่คือปัญญาถ้าเราสามารถใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้ความอยากต่างๆต่อไปก็จะไม่มีหลงเหนืออยู่ในใจ เมื่อไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ใจใจก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปเหมือนกับเมื่อไม่มีเชื้อโรคมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือบุญต่างๆสี่ประการสี่ชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเมื่อมีเวลาว่างมาไหเมื่อไหร่ ให้รีบมาสร้างบุญสี่ชนิดนี้กันตอนต้นก็ให้ทำบุญที่ง่ายก่อนชนิดที่หนึ่งนี่ง่ายกว่าชนิดที่สองชนิดที่สองนี้ง่ายกว่าที่สามที่สามง่ายกว่าที่สี่พระพุทธเจ้าเลยสอนให้ทำเป็นขั้นๆไปทำสิ่งที่ง่ายก่อนแล้วค่อยไปทำสิ่งที่ยากขึ้นไปเหมือนเวลาทำข้อสอบนี่เวลาเราตอบข้อ มีข้อสอบนี้เราเลือกสอบตอบข้อที่ง่ายก่อนเพราะที่ง่ายมันไม่ใช้เวลามากพอเรารู้คำตอบเราใส่ไปเลยส่วนข้อที่ยังไม่รู้คำตอบต้องใช้เวลาคิดนี้ก็เอารอไว้ทีหลังเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามัวมาทำแต่สิ่งข้อที่ยากเดี๋ยวข้อที่ง่ายก็จะไม่ได้ทำเพราะเวลามันจะหมดก่อนอย่างใดเราก็มีเวลา ทำข้อสอบของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้มันยามต้องหมดไปในเวลาใดเวลาหนึ่งเวลาทําข้อสอบของพวกเราจึงไม่เท่ากันบางคนมีเวลาทําข้อสอบมากบางคนอยู่ถึง80 90, 100, ปี90สปีร้อยปีบางคนอยู่ได้ไม่กี่สิปีก็ตายไปก่อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนวิธีทําข้อสอบคือวิธีสร้างบุญ ชนิดต่างๆโดยเรียงระดับชนิดที่ง่ายขึ้นไปสู่ระดับที่ยากให้พวกเราทําพวกที่ง่ายก่อนอย่างน้อยเอาของง่ายก่อนเอาบุญชนิดที่ง่ายก่อนทําทานไว้ก่อนใจจะได้มีสเบียงมีอาหารไม่อดอยากไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นผีถ้าไม่มีบุญไม่ได้ทําบุญทําทานใจจะหิวจะโห้ยอยู่ตลอดเวลา ทำบุญทำทานไปก่อนของที่ง่ายชีวิตในบรรดาบุญสี่ชนิดนี้ทำบุญง่ายที่สุดมีเงินที่เราจะเอาไปใช้กับของที่ไม่จำเป็นเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่าอย่างวันนี้ญาติโยมแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันก็มาทำบุญกันอะ ดีกับไปซื้อเบียร์มาหกขวดดื่มเบียร์หกขวดเดี๋ยวเม า, เาแล้วก็กลายเป็นสุนักไปไม่มีสติสตังจะพูดจะจาจะทำอะไรก็ไม่สวยไม่งามคนที่อยู่ใกล้ก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ด้วย สู้เอาเงินที่จะมาทำให้เราเป็นสุนัขนี้เอาเงินมาทำให้เราเป็นเทวดาดีกว่าเนี่ยการทำบุญทำทานนี้นอกจากจะทำให้เรามีสเสบียงแล้วนอกจากจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้ใจเรามีความอิ่มน้าสำราญใจยังจะทำให้เราได้เป็นเทวดาต่อไปเพราะบุญสี่ชนิดนี้นอกจากที่เราจะใช้เป็นปัจจัยสี่ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แล้วเรายังจะใช้มันต่อไปได้เป็นสเสบียงที่จะพาเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้เพราะว่าตอนนี้จิตใจเราอยู่ในระดับของมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญเรากลับไปทำบาปเราจะดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำ ถ้าเราไปทำบาปคือไม่รักษาศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเราก็จะดึงจิตใจให้ลงต่ำลงไปสู่อบายที่มีอยู่สี่ระดับระดับแรกเรียกว่าเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาปคิดว่าเป็นความจำเป็นเช่นต้องมีอาชีพฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพ ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่าไม่บาปไม่มีโทษไม่มีภัยเพราะว่าไม่มีไม่มีกฎหมายที่จะมาจับเราไปลงโทษติดคุกติดตารางเราก็เลยคิดว่าไม่บาปแต่กฎแห่งกรรมนี้ถือว่าบาปตายไปนี่กฎแห่งกรรมจะมาจัดการกับดวงวิญญาณของพวกเราไม่ไปจัดการกับร่างกาย กฎหมายบ้านเมืองนี้เขาจะจัดการกับร่างกายของพวกเราเวลาเราทำบาปเวลาเราฆ่าคนนี้กฎหมายบ้านเมืองถือว่าผิดนะต้องถูกจับไปคังคุกคังตารางหรือประหารชีวิตแต่ถ้าไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่เพื่อไปเลี้ยงชีพอย่างนี้กฎหมายทางบ้านเมืองไม่ถือว่าผิดนะทำได้แต่กฎแห่งกรรมนี่ถือว่าผิดนะไม่ว่าจะฆ่าไข่ก็ตาม สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือมนุษย์นี้ผิดหมดเพียงแต่ว่าผิดมากผิดน้อยโทษหนักโทษเบานี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่บุคคลเลือกสัตว์ที่เราฆ่าว่ามีคุณค่ากับมีคุณบุญคุณกับเรามากน้อยฆ่าคนนี้ฆ่าคนหนึ่งเก็บกับฆ่าอีกคนหนึ่งนี้มีโทษหนักเบาต่างกันถ้าเราไปฆ่าคนที่ไม่มีบุญคุณกับเรา กลัไปฆ่าคนที่มีบุญคุณกับเรานี้โทษหนักต่างกันถ้าฆ่าคนที่เราไม่รู้จักเช่นขโมยมาขึ้นบ้านแล้วเราก็ยิงไล่มันก็ยิงให้เขาตายไปอย่างนี้บาปถึงแม้ว่าจะเป็นการป้องกันทรัพย์สินแต่ไม่บาปเท่ากับถ้าเราไปยิงพ่อยิงแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะพ่ อ, พอแม่นี้มีบุะคุณกับเรามาก แต่ขโมยนี่ไม่มีบุญคุณกับเรามีพิษมีภัยกับเราข้าขโมยถึงแม้จะบาปแต่บาปน้อยกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้ท่านถือว่าเป็นหนักบาปหนักที่สุดเรียกว่าอนันตริยกรรมอนันตาริยกรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สขฆ่าพระอรหันต์สี่ทให้พระพุทธเจ้าห่อเลือด แะห้ยุยยงให้สงเกิดความแตกแยกผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดคือใครก็คือพระเทวทัตนี่พระเทวทัตนี้ก็เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าพอมาบวชแล้วก็ได้อภิญญาได้อิทธิฤทธิก็เลยคิดว่าตนเองเก่งเลยขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธ ก็เลยแค้นจ้างคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามทำละฆาพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแต่ทำไม่สำเร็จทำได้เพียงแต่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมหนักแล้วเพราะไม่มีใครมีพระคุณต่อโลกเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่มีพระคุณมากที่สุด ในบิ ด, ดาบุคคลที่มีพระคุณมีพระคุณพอๆกับบุญคุณของพ่อของแม่เราค้าพ่อข้าแม่ก็เท่ากับทำให้า ท, ทาให้พระเจ้าพเพียงแต่ห้อเลือดก็เท่ากับค้าพ่อข้าแม่แล้วแล้วพอพระเทวทัตไม่ได้รับความปานาตตามที่ตนเองอยาก ก็เลยไปยุยงสงให้แตกแยกขึ้นมาอีกทําให้เกิดแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เคารพพระพุทธเจ้ากับฝ่ายที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยการทำบาปสองประการนี้เลยทําให้พระเทวทัตนี้ต้องไปตกนรกในขุมที่เลือกที่สุดที่หนักที่สุดนี่นี่แหละคือบาปที่ทํากันนี้มีหนักมีเบา แล้วก็มีผิดทางร่างกายหรือผิดทางจิตใจถ้าเป็นกฎหมายบ้านเมืองทําบาปบางชนิดไม่ถือว่าผิดนะถ้ามีอาชีพค่าเป็ดค่าไก่จับปลามาขายนี่ค่าเป็ดค่าไก่ค่าปูค่าปลาเป็นอาชีพนี้ทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ถือว่าบาปไม่ถือว่าผิดไม่จับไปติดคุกติดตาราง าการกดแห่งกรรมนี้จะถือว่าผิดถ่าฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าค่าหรือทำบาปเพื่อความร่ำรวยอยากได้เงินมากๆอยากได้อะไรมากๆ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าค่าหรือทำบาปด้วยความกลัวตายไปก็จะไปเป็นอสุรกายหรือเป็นผี อาฆ่าด้วยความโกรธอาฆาดพยาบาทตายไปก็จะไปตกนรกนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณของพวกเราที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ไปอบายกันเพราะตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันเนี่แต่จะเป็นได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การทำบาปของเราหรือไม่ได้ทำบาปตั้งแต่เกิดมานี่เราทำบาปกี่ข้อแล้ว การทำบาปแต่ละครั้งมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ของความเป็นมนุษย์ของเราให้น้อยลงไปจากร้อยเปอร์เซนเหลือเก้าสิบเ้าเอร์ซเหลือเก้าสบแดเปเซนตทุกครั้งที่ทำบาปนี้เปอร์เซ็นต์ของความเป็นมนุษย์ของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะลดระดับภพชาติของเราให้ต่ำลงเราต้องรีบมารักษาศีลกัน ต้องพยายามรักษาศีล์ห้าให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อลดปริมาณของการที่จะทำให้เราไปเกิดในอบายนั่นเองแล้วเราต้องรีบมาสร้างบุญให้มากทาทานให้มากขึ้นเพราะบุญทานนี้จะส่งให้เราขึ้นสูงจะทำให้เราได้ขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าเราทาทานทำบุญมากกว่าทาบาป บุญนึทานที่เราทํานี้จะดึงให้เราขึ้นสวรรค์ได้แต่ถ้าเราทําบาปมากกว่าทําบุญทําทานบุญบาปนี้มันจะดึงให้เราลงต่ําำเวลาเราตายไปนี้บุญกับบาปสองตัวนี้แหละที่จะมาเลือกมาแย่งดวงวิญญาณของพวกเราให้ไปเกิดเป็นอะไรถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะดึงให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเปรตหรื อ, อสุดลกายหรือนรก ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ใจของเราขึ้นสูงให้ไปเป็นเทพที่มีอยู่6ชั้นชั้นจ่าตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปรนิมเนี่ยชื่อย่อของชั้นต่างๆมีถึงหกชั้นด้วยกันชั้นของเทวดายิ่งยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งขึ้นชั้นสูงขึ้นไปนี ชั้นสูงขึ้นก็มีบุญมากขึ้นะมีความสุขมากขึ้นความสุขนี้แบ่งไว้หระดับด้วยกันของดวงวิญญาณที่ทำบุญทาทานทำบุญระดับที่หนึ่งก็ได้เป็นเทวดาระดับที่หนึ่งทำบุญระดับที่สองก็ได้เป็นเทวดาระดับที่สองก็ดูปริมาณเงินที่เราทาที่เราเสียสะละถ้าเสียสะละหนึ่งในหนึ่งในห ของสมบัติที่เรามีอยู่ก็ได้ชั้นที่หนึ่งถ้าเสียสละสองในหกก็ได้ชั้นที่สองถ้าเสียสละหกในหกมีเงินเท่าไหร่ก็ทำบุญหมดเลยเช่นพวกที่ไปบวชเนี่ยพวกนักบวชนี่มีข้าวของเงินทองเท่าไหร่ก็ทาหมดเลย เสียสละแจกให้คนอื่นไปหมดพวกนักบวชนี้ขึ้นไปถึงชั้นหกแล้วแต่นักบวชนี้เขาไม่พอใจกับการไปอยู่แค่สวรรค์ชั้นชั้นเทพเท่านั้นเขามีเป้าที่ไกลกว่านั้นเขาจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมและสวรรค์ชั้นพระนิพพานต่อไปเขาเลยต้องผ่านชั้นเทพก่อน เขามีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองเท่าไหร่เขาก็บริจาคหมดเวลาที่เขาออกบวชเวลาคนที่มาบวชนี้จะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองติดตัวมามีมากมีน้อยก็ต้องเสียสละไปหมดเสียสละบรยจากเต็มร้อยมีแสนก็เสียไปแสนมีล้านก็เสียไปล้านแต่การบริจากนี้ถือว่าเท่ากันเพราะว่าบรยจากร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนกันะ มีหมื่นก็1้อยเปอร์เซ็นมีแสนก็ร้อยเปอร์เซ็นมีล้านก็1้อยเปอร์เซ็นตะถือว่าได้บุญในระดับเดียวกันได้บุญในระดับที่สูงสุดของของบุญที่เกิดจากการให้เงินให้ทองนะเพราะว่านักบวชนี้เขาต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานนะเพราะนิพพานนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดเป็นที่ที่จะ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถึงแม้จะเกิดในภพที่ดีหรือเกิดมาล่ำมาลวยก็ตามมันก็ยังมีวันเสื่อมมีวันหมดพอเวลามันเสื่อมมันหมดความสุขที่ได้จากการเกิดในภพที่ดีเหล่านั้นก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะตามมา เป็นมหาเศรษฐีระดับแสนล้านพอเวลาแก่ความทุกข์ก็เข้ามาทันทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี้ความทุกข์มันเข้ามาเงินทองแสนล้านนี้ห้ามความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในใจไม่ได้คนที่ฉลาดจึงรู้ว่าการมาเกิดนี้ไม่ดีไปบวช ด, ดีกว่าไปบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ไปถึงพันิพาน เพราะว่าถ้าไปได้ถึงพระนิพพานแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นนักบวชจึงเป็นผู้ที่ทำบุญทำทานเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็ยกให้ผู้อื่นไปหมด กลายเป็นนักบวชเวลามาบวชพระพุทธเจ้าไม่ให้เอาเงินทองติดตัวมาพระพุทธเจ้าให้หาปัจัตตาบริขารให้มีสมบัติเพียงแปดชิ้นสำหรับนักบวชคือหนึ่งให้มีจีวรสามผืนสองอัตตาบริขารชิ้นที่สี่คือบาตรจีวรผ้าสามผืนสามชิ้น อัฐาบริคารชิ้นที่สี่คือบาทไว้สำหรับหากินมินทบาทแล้วก็เข็มขัดรัดเอวชิ้นที่ห้ากีวอนนี้ไม่มีกระดุมไม่มีซิปเวลาจะนุ่งห่มนี้ต้องมีเข็มขัดรัดเอวมีผ้ารัดเอวผ้ารัดเอวนี้ไว้สำหรับรัดเอวไม่ให้ผ้าหลุดนี่กระสมบัติห้าชิ้นสมบัติชิ้นที่หกก็คือให้มีเข็มกลับได ไว้สำหรับเวลาจีวรขาดจะได้ปะจะได้ชุนได้สมบัติชิ้นที่เจ็ดก็คือมีดโกนต้องโกนหมัมต้องมีมีดโกนไว้ปรองผมปรงหนวดแล้วสมบัติชิ้นที่แปดก็คือมีที่กล่องน้ําที่ตักน้ําที่กล่องน้ําเพราะเวลาสมัยโบราณไม่มีน้ําปปาน้ําไม่สะอาดน้ํามีน้ําต้องไปตักตามห้วยตามลาําธาร ซึ่งอาจจะมีตัวตัวสัตว์อยู่ในน้ำแล้วก็จะมีเครื่องกรองเครื่องตักน้ำที่มีที่กรองในตัวที่จะกักที่จะตักแต่น้ำขึ้นมาแต่จะไม่เอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติแปดชิ้นที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้ที่มาบวชแม่อนุญาตให้มีเงินติดตัวมา เป็นม า, าเศรษฐีจะขอเอาเงินมาล้านหนึ่งนี้ทัานมาไม่ได้ม า, าเศรษฐีหรือคนขอทานนี้เวลาบวชแล้วมีสถานภาพการเงินเท่ากันคือศูนย์ไม่มีเงินทองมีสมบัติเท่ากันคือมีอัตถบริขารเพราะผู้ที่จะไปนิพพานนี้ไม่ต้องใช้เงินทองผู้ที่ไปนิพพานนี้ต้องใช้อใช้ ใช้ศีลสมาธิปัญญาบุญทําแล้วบุญทำแล้ ว, บ, ลวบอยจากเข้าของเงินทองหมดแล้วทีนี้ก็เหลือศีลสมาธิปัญญาที่จะต้องมาสร้างกันศีลก็ต้องยกระดับจากศีลห้าที่เคยรักษาตอนที่เป็นผู้คลองเรือนมาเป็นศีลแปดขึ้นไปถ้าเป็นนักบวชก็ศีลสองอยี่บเจ็ดถ้าเป็นพระก็สองอยี่บเจ็ด เป็นภิกษุณีก็สาม้อยสิบอ็ดถ้าเป็นสัมมเนนก็ศีลสิบถ้าเป็นอุโบสอุบาสกอุบาสิกาคือเป็นผู้คลองเรือนแต่อยากจะมาบวชชั่วข้าวเช่นในวันพระวันพระก็มาอยู่วัดมาอยู่แบบนักบวชก็ถือศีลศีลแปดเรียกว่าอุโบสถศีลถ้าอยู่ที่วัด นี่คือศีลที่ของผู้ที่ต้องการที่จะไปพระนิพพานจะต้องมีรักษากันต้องเพิ่มจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยีิบเจ็ดหรือศีลสาม้อยสิบเอ็ดข้อเมื่อมีศีลแล้วจะได้มีเวลาเพราะศีล น, นี้จะคอยห้ามไม่ให้เราไปไม่ให้ผู้รักษาศีลไปทำกิจอย่างอื่นกิจทาง ทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นการหาความสุขแบบเทวดาผู้ที่อยากจะไปสูงกว่าเทวดาไปสู่ชั้นพรมชั้นนิพพานนี้ต้องหยุดยุดติการหาความสุขของเทวดาคือของมนุษย์และเทวดาคือไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง สินแปดที่จะห้ามไม่ให้หลับนอนกันไม่ให้กินอาหารตามความอยากไม่ให้ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ใหญ่ฟนะุบหนาหนาไม่ให้นอนมากเกินไปเพื่อที่จะได้เอาเวลามาฝึกสติมาฝึกกรรมฐานกันมาเจริญกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ที่เหมาะกับผู้ปฏิบัต ชอบพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิต้องบริกรรมตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็คิดได้เฉพาะเรื่องที่จาเป็นต้องคิดเท่านั้น เช้าวันนี้จะต้องทำอะไรจะต้องอมีอะไรต้องทำต้องติดต่อกับใครอะไรเป็นต้นก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดถ้าจะคิดเพิ่อฟุตเจอร์เพิ่อฝันคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คิดอยากจะไปหาคนนั่นคนนี้ก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความอยากไปพอเกิดความอยากไปอยากทาแล้วจะทาให้ใจทุกข์ เพราะถ้าถือศีลแล้วมันจะไปไม่ได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็จะไปไม่ได้ถ้าถือศีลแปดฉะนั้นต้องคอยควบคุมความคิดไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวศีลขาดแล้วก็จะไปไม่ถึงนิพพานจะตกจะลงกลับมาอยู่กับพวกเทวดาหรือกับพวกมนุษย์เท่านั้นถ้าอยากจะขึ้นไปอยู่กับพวกพรหมหรือพวกพระอริยบุคคลอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหรันต ต้องยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เอาเวลามาฝึกสติมาพุทโธพุทโธหยุดความคิดหรือถ้าไม่ใช้พุทโธก็ให้ใช้ร่างกายเป็นกรรมฐานคอยเฝ้าดูร่างกายแทนใช้พุทโธ ร, ร่างกายกาลังทำอะไรก็เฝ้าดูมันเพียงอย่างเดียว มันกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็เฝ้าอยู่กับมันไปอย่าปล่อยให้มันไปที่อื่นให้มันอยู่กับที่ร่างกายอย่างนี้เรียกว่ากายกตาสติแล้วพอเวลาเวลามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิหลับตาถ้าจะให้พุโทโธก็พุโทโธไป ถ้าใช้กายยะกะตาสติก็เปลี่ยนมาเป็นอนาปณะสติแทนที่จะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวตอนนี้ร่างกายนั่งเฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหวก็ให้มาดูลมหายใจที่เคลื่อนไหวแทนดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆฉยาไปควบคุมบังคับลมใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิพอเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานได้ก็ ถือว่าได้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมนะผู้ที่เข้าสมาธิได้เข้าฌานได้นี้ถ้าตายไปนี้จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมทันทีนะไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทวดา แล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าชั้นพรมเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้หัดใช้ปัญญาหัดพิจารณาตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาเช่นพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เป็นดินน้ำลมไฟเวลาตายไปดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวในร่างกายก็จะแยกทางกันไปนะร่างกายนะเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปพอปล่อยปล่อยได้เราก็จะเป็นพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาทันทีเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเราปฏิบัติต่อไปเราก็จะกำจัดความอยากที่ยังมีในใจที่หลงเหลืออยู่ให้มันหมดไป พอหมดความอยากที่เหลืออยู่ในใจหมดไปเราก็จะไปถึงพนานิพานเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ของบุญที่พระพุทธเจ้าสงสอรให้พวกเรามาสร้างมาทํากันอย่างสม่าเสมอทํากันอยู่เรื่อยๆทํากันให้มากๆมีเวลาว่างเมื่อไหร่ให้รีบมาสร้างบุญสี่อย่างนี้กัน บุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิและบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาถ้าเราทําบุญทั้ง4ชนิดนี้ได้อย่างต่อเนื่องเวลามีชีวิตอยู่เราก็เหมือนเราก็จะจิตใจเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์มาทําให้เราวุ่นวายใจเดือดร้อนใจ แล้วถ้าเราตายไปเราก็จะไปถึงพันิพานกันไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันวันกาไรบุญที่พวกเรามีโอกาสได้มีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันที่จะมาเติมบุญกันให้มีมากขึ้นไปในใจถ้าเราไม่มีวันหยุดวันนี้เราก็ต้องไปทำงานทำการเราก็จะไม่ได้มาเติมบุญกัน ถึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญถ้าพวกเรามาทำบุญกันก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพพนิตพิจารณาและปฏิบัติการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 โสยธาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโวินาสตุ มาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาฒนสิริสานิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยสิบสามสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามรับฟังข้างบนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสามคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบครับช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็รับเอาใหม่ไป <Okay. S 1> พูดใกล้ปากยนะครับขออนญาตสอบถามพระอาจารย์ครับกระผมได้ปฏิบัติทมในใช้วิธีในการดูลมหายใจครับเป็นอนาปนสติ ทีนี้พอปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะเกิดมีอาการเบาแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายเริ่มทราบซ่านเหมือนกับมีปิติความคิดอะไรต่างๆมันก็จะลดลงไม่อยู่ที่ลมหายใจระหว่างนี้ยังรู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกและรู้สึกทราบซ่านไปด้วย ก็ให้ดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าอย่าทิ้งลมหายใจครับพอจะได้ไปลึกกว่านี้ถ้าหยุดดูลมหายใจไปดูอาการซาบซาเดี๋ยวมันก็จะหยุดตรงนั้นมันจะไม่ไปสู่ความสงบเต็มที่ไปสู่เบคาเหตุนี้พยายามดูลมต่อไป จนกว่าจิตมันจะนิ่งสงบแล้วมีความสุขอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องทำก็ใช้สติประคับประคองให้มันอยู่ในความสงบนี้ไปนานๆครับนี่คือผลของการนั่งสมาธิไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรู้ปัญญาหรืออะไรทั้งนั้นต้องการความนิ่งความเฉยอุเบขาความสุขเอง พยายามพอมันสงบมันนิ่งมันสุขแล้วก็ใช้สติคอยรักษามันไว้ถ้ามันเริ่มคิดก็หยุดความคิดต่ออย่าให้มันคิดให้มันนิ่งต่อไปครับคือความมีปิติสุขมันจะเกิดจากการที่เราไม่ไม่ไม่ดูอย่างอื่นดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวใช่าแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่ามันจะมีความสุขที่ยิ่งกว่าความปิติสุขคือความสงบะ ยิ่ได้ดูลมไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าเข้าไปสู่ความสงบความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไปหยุดตรงที่ปิติไปดูปิติมันก็จะไม่ไปต่อกลับกลับขอบคุณครับคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับคุณอรุณีมีสองคำถามครับคำถามแรกกำใดที่ทำให้ต้องเปลี่ยนศาสนาครับ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนคนชอบเปลี่ยนสามีเปลี่ยนภรรยาชอบลองของใหม่เรื่อยคำถามที่สองหากนับถือศาสนาอื่นอยู่แล้วอยากทำสมาธิควรทำอย่างไรครับก็ทำได้ศา ส, สนาพูดไม่ห้ามไม่ห้ามว่าใครนับถือศาสนาอะไรแล้วมาปฏิบัติศา ส, สนานี้ ไม่ห้ามไม่ได้ห้ามาไม่ได้บอกให้ต้องไปเลิกศาสนาเก่านับถืออะไรอยู่อยากจะนับถือต่อไปก็นับถือได้ศาสนาพุทธได้เปิดกว้างไม่ได้ห้ามอะไรทั้งนั้นไม่มีเงื่อนไขถ้าอยากจะนั่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคำถามนะครับว่า จิตนี้มีเพศไหมครับเพราะเกิดมาเป็นหญิงอยากเป็นชายเป็นชายแล้วก็กลับเปลี่ยนตัวไปเป็นผู้หญิง อ, อ๋อจิตไม่มีเพศจิตของชายจิตของหญิงเหมือนกันจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดตัวที่ทำให้เป็นเพศขึ้นมาก็คือความอยากความชอบชอบผู้ชายก็จิตก็เป็นผู้หญิงชอบผู้หญิงจิตก็เป็นผู้ชายขึ้นมาแต่ตัวจิตเองนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกคน คือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยแต่ความชอบนี้เป็นตัวที่ทำให้เป็นเป็นหญิงหรือเป็นชายขึ้นมาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้ามีการราคะกับคนในครอบครัวต้องทำอย่างไรครับเพราะกลัวตัวเองเผลอทำผิดทางกาย ก็พยายามอยู่ห่างๆอย่าไปอยู่ใกล้กันอย่าไปอยู่กันระหว่างสองต่อสองอยู่ในที่ลับนะแล้วก็พยายามหัดฝึกสมาธิพุทธโธพุทธโธเวลาเกิดความอยากก็ระงับมันด้วยพุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าจะระลึกถึงอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายเช่นระลึกถึงอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายเช่นโครงกระดูก อดหัวใจตับลำไส้อาการที่ไม่น่าดูน่าชมก็จะช่วยบรรเทาการมาราคาได้ไม่ว่าจะจะมีชอบใครก็ตามจะชอบคนในครอบครัวหรือไม่ในครอบครัวถ้าเห็นอสุภะของเขาแล้วก็จะละความชอบความรักได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณดาปฏิบัติสมาธิแล้ว พอถึงขั้นได้ปิติสุขใจอิ่มเอมอิ่มเอิบแล้วก็ถอนออกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิเจ้าค่ะต้องทําอย่างไรต่อไปเพื่อให้พัฒนาขึ้นไปอีกขอความกรุณาด้วยก็ทําต่ออย่างเมื่อกี้ที่คําถามเขาถามพอถึงปิติสุขแล้วก็อย่าไปดูที่ปิติอย่าไปดูสุขดูลมต่อไปถ้าเราใช้ลมหายใจถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าหยุด อย่างไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปได้ครึ่งทางถ้าหยุดก็จะไปไม่ถึงต้องพยายามพุโทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไปแล้วจิตก็จะผ่านปิติสุขเข้าไปสู่อุเบกขาได้คำถามต่อไปจากคุณประหยัดนั่งสมาธิดูลมเข้าออกแต่ชอบสะดุง้งต้องแก้ไขอย่างไรครับ อ, อไม่ต้องแก้ไขอะไรให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของเราไปก็ดูลมไปเรื่อยๆมันจะสะดุง้งก็ดูมันสะดุง้งสะดุ้งแล้วเราก็กลับมาดูลมต่ออย่าไปกังวลกับความสะดุง้งตอนนี้จิตเรายังอาจจะอ่อนหัดอยู่ยังมีสติไม่แข็งก็เลยอาจจะสะดุ้งง่ายๆต่อไปถ้าเราฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็จะมีะความแข็งแกร่งมากขึ้น การสะดุ้งต่างๆต่อไปก็จะหายไปหมดคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามนะครับคำถามแรกคำว่าจิตเดิมแท้คือจิตที่มีกิเลสหรือจิตบริสุทธิ์ครับเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่คือจิตที่นิ่งสงบเป็นสมาธินี้ท่านเรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้ แต่ยังมีกิเลสฝังอยู่ภายในจิตนั้นเพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาทำงานพอออกจากสมาธิมาก็ออกจากจิตเดิมแท้มาสู่จิตปัจจุบันเนี่นเวลาเราเข้าสมาธินี่เรากลับเข้าไปสู่จิตเดิมของเราจิตที่สงบนิ่งแต่จิตสงบนิ่งของเรานี้ยังมีกิเลสฝังอยู่พอเราออกจากสมาธิมา กิเลสที่ฝังอยู่ก็จะออกมาสแสดงบทบาทสแสดงความโลภความโกรธต่อไปถ้าเราต้องการทำให้จิตบริสุทธิ์เราก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนาใช้ปัญญามากำจัดกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปถ้ามีปัญญาปัญญาจะสามารถกำจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปเพราะกิเลสหมดไปด้วยปัญญาจิตก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ เป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ที่ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีกิเลสมาสร้างความทุกข์ให้อีกต่อไปคำถามที่สองคำว่าว่างแต่มีอยู่หมายถึงอะไรครับก็ว่างจากทุก์ว่างจากอารมณ์ต่างๆ มีความสุขมีปิดมีความสุขมีผู้รู้ศักแต่ว่ารู้อยู่นะจิตเวลาสงบจิตจะว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆว่างจากกิเลสตัณหาแต่จะอยู่กับความสุขที่เรียกว่าความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคำถามต่อไปจากคุณสุดาพรการที่เรา เมตตาไม่เต็มร้อยและยังพูดข้อไม่ดีของคนอื่นอยู่การกระทำแบบนี้เป็นการผิดศีลไหมครับถ้าไม่พูดปดก็ไม่ผิดศีลถ้าไม่พูดเพื่อเจ้าไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบก็ไม่เป็นอกุศลคือศีลนี้ท่านห้ามเพียงแต่ไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองแต่อกุศลนี้ห้ามไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูด จะเพอเจ้ไม่ให้พูดส่อเสียดคือยุยงให้เกิดความแตกสามคัคคีไม่ถือว่าเป็นศีลแต่เป็นอกุศลทางวาจาศีลนี้ทางวาจามีแค่ไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณเวอร์ก้าตอนนี้ลูกปฏิบัติธรรมทุกวันพระนั่งสมาธิทุกวัน อยากถามพระอาจารย์ว่าบุญกุศล น, นี้ที่ลูกตั้งใจปฏิบัติธรรมจะช่วยให้แม่ของลูกได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ไหมเจ้าคะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วแม่ก็เห็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจิตใจเย็นขึ้นมีความประพฤติดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแม่ก็อาจจะอยากจะมาปฏิบัติตามก็ได้เพราะมันเป็นเหมือนแฟชั่นเนาะพอเราเห็นเขาแต่งตัวคขอ ชุดนี้แล้วแหมดูสวยเราก็อยากจะใส่ตามเขาไปเองผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้ที่มีความสวยงามทางกิริยาการต่างๆพอใครเห็นก็อยากจะเป็นเหมือนกันกันกบเขาก็ถามเขาว่าทำอย่างไรพอรู้ว่าทำอย่างไรเขาก็ไปทำกันคำถามต่อไปจากคุณเชอรี่ คนที่ป่วยหนักหรือมีอาการโคม่าตามโรงพยาบาลหากเขาเหล่านั้นได้ฟังเทศฟังธรรมหรือบทสวดมนต์ก่อนที่จิตหรือร่างกายจะนอนหลับไปเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ดวงจิตดับไปการได้ฟังเทศฟังธรรมนั้นจะถือว่าเป็นจิตสุดท้ายหรือไม่เจ้าคะและบุญกุศลจะส่งให้ถึงสวรรค์ชั้นใดออไม่ได้หรอเมนคนนอนหลับฟังเทศไม่รู้เรื่อง คนนอนหลับคนเข้าโคมา่า น, นี้เรียกว่าคนหมดสติคนหมดสตินี้ฟังอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์ต้องฟังตอนที่มีสติอย่างตอนนี้เท่านั้นถึงจะเข้าใจธรรมะถึงจะได้เอาธรรมะมาทําใจให้สงบให้ไปสู่สุขติได้ถ้าไม่มีสติสตังคุยกันไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่ได้ยินแล้วก็การฟังอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์เท่างนั้น คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำอย่างไรถึงจะทำให้สามีและลูกเข้ามาทำบุญปฏิบัติธรรมได้เจ้าคะเพราะสามีคิดว่าคนเราไม่ทำความชั่วก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมาทำบุญบ่อยๆนานๆทำครั้งหนึ่งก็พอซึ่งโยมอยากจะดึงลูกทั้งสองคนเข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิให้เป็นนิสัยด้วย ต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเรามาสิเรามาแล้วเราก็ชวนเขามาถ้าเขามาเขาก็มาถ้าเขาไม่มาก็ไม่มาเราก็ทําได้เท่านี้เราไปทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้อย่างน้อยเราก็เป็นตัวดึงดูดเขาอย่างคนที่มาบวชเป็นพระนี่ก็ดึงดูดให้พ่อแม่เข้าวัดกันธรรมดาพ่อแม่จะไม่เข้าวัดนะพอลูกบวชแล้วทีนี้คิดถึงลูกก็ต้องมาวัด มาวัดก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญมารักษาศีลเดี๋ยวพอได้ทำแล้วก็ติดใจก็จะมาทำต่อไปหลังจากที่ลูกศึกไปแล้วก็ยังมาทำต่อก็มีเหตนีเราก็ทำเป็นตัวอย่างเรามาวัดมาอยู่วัดนานๆสิเรามาบวชชีดูเดี๋ยวก็ตามมาหาเราเองมาบวชชีมาบวชพระเดี๋ยวก็คิดถึงเราเขาก็มาเยี่ยมเรามาหาเรา คำถามต่อไปจากคุณหญิงถ้าในขณะที่เราทำสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและในขณะเดียวกันนั้นก็รับรู้ถึงความไหวตรงระหว่างหน้าอกคล้ายหัวใจเต้นและไหวแรงซึ่งบางครั้งความไหวคล้ายจังหวะหัวใจเต้นมันเด่นชัดกว่าการดูลมโยมก็เลยจับรับรู้ทั้งดูลมและ ความเคลื่อนไหวแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะหรือต้องเลือกอันใดอันหนึ่งครับไม่ถูกต้องเอาลมอย่าไปดูอย่างอื่นลมนี้มันแน่นอนกว่าอย่างอื่นไม่แน่นอนเดี๋ยวบางทีก็หายไปได้ไดัง้ดูอยู่กับลมอย่างเดียวคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม <c oughs> อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีการนะครับเพราะ ทำงานตั้งแต่เช้าถึงค่ำเหนื่อยมากพอเหนื่อยก็ง่วงอยากพักผ่อนแต่ก็อยากนั่งสมาธิมากเจ้าคะ่ะมีวิธีการแก้ไขและทำอย่างไรได้บ้างเจ้าคะ่ะก็ทำงานให้น้อยลงเลยวิธีจะทำงานให้น้อยลงก็ใช้เงินให้น้อยลงถ้าใช้เงินน้อยก็ไม่ต้องทำงานมากที่ต้องทำงานมากเพราะต้องใช้เงินมาก ย่นลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นลงไปของฟุ่มเฟือยตัดไปของสุรุ่สุร่ายตัดไปใช้แต่ของที่จําเป็นเที่ยวให้น้อยลงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะลดปริมาณการใช้ใจ่ายลงไปเมื่อเราใช้ใจ่ายน้อยความต้องการเงินก็จะน้อยลงไปเมื่อต้องการเงินน้อยการทํางานก็จะน้อยลงไป เราก็จะมีเวลาว่างเราก็จะได้มาฝึกสมาธิกันได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณสุพชัยนั่งสมาธิแล้วมีอาการสงบอยู่แต่เมื่อเพ่งดูลมหายใจจะมีอาการร้อนและเหนื่อยจนต้องออกจากสมาธิมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าคุณนั่งแบบไหนตอนต้นคุณนั่งถ้าคุณดูลมแล้วจิตสงบแล้วมันจะมาทำให้คุณนอนได้อย่างไรมันนอนเพราะคุณไม่อยากจะนั่งแนละ้วกิเลสมันอยากจะออกแล้วไม่ใช่การดูลมการดูลมนี่เป็นการทำให้จิตสงบทำให้จิตเย็นถ้าดูแล้วร้อนก็แสดงว่ากิเลสมันมีกำลังมากดูลมไม่ได้ก็มาสวดมนต์แทนหรือพุทโธแทน คำถามต่อไปจากคุณชอบเพชรสวดบทสวดมนต์พาหุงมหากาและกรณียเมตสูตรจะสามารถช่วยให้เรานอนหลับฝันดีได้ไหมเจ้าคะถ้าสวดไปก็ จ, จะทำให้เรานอนหลับได้แต่เวลาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรานอนไม่หลับก็ลองสวดมนต์ไปสวดไปเราก็จะลืมเรื่องที่เราคิดแล้ว เ, เดี๋ยวเราก็หลับได้ แต่จะให้ฝันดีนี่ไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์แต่อยู่ที่การมีความมีการทำบุญถ้าทำบุญแล้วนอนหลับก็จะฝันดีหมดแล้ววันนี้คำถามก็หมดเวลาก็ใกล้จะหมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ